ไม่เพ้อเจอนี่เป็นกันเยอะนะจนเพราะคนเราชีวิตประจำวันเนี่ยทาบาปทางปากนี่มากจริงๆเลยท่านบอกนะทําบาปทางปากมากจริงๆเลยทำไมอะ่ะเราก็สังเกตดูว่าใครพูดเรื่องที่เป็นไปกับประโยชน์มีสาระประกอบด้วยเหตุด้วยผลมีที่มาที่ไปพูดแล้วอ้างเองสังวรวินยัยพูดแล้วอ้างเองทหารวินยัยมีไหมน้อยมาก เพราะฉะนั้นเขาทำบาปทางวาจากันมากมายมหาศาลวันหนึ่งหนึ่งแต่แล้วพออากุศลมันให้ผลเนี่ยบอกเออฉันไม่เคยทำบาปเลยทำไมอกุศลมันให้ผลจังอย่างเงี้ยนั่นแหละโดยที่ไม่รู้เลยว่าบาปเนี่ยไม่แต่ที่พูดสนุกสนกเนี่ยนั้นเน่ยบางทีนะอกุศลล้ว น, นเลยนะบาปบริสุทธิ์เลยอะ่ะแต่ถ้าเขาไม่เชื่อหรือว่าเขาเขาก็ไม่ไ ม, ไม่สิหา ย, ยางี้ครับมันองค์มันกรรมบทมันรู้สึงมันจะไม่แข็งคลัสนะัก คือว่าเสียหายเหมือนกันให้ผลนําเกิดได้นะนั่นนี่ครับอ่าเมื่อให้ผลนําเกิดได้เนี่ยจึงเราจึงว่ามันไม่ใช่เล็กน้อยอ่ะคือสมมุติว่าตัวเขาเองเนี่ยสามารถไปดึงบาปบางอย่างที่เคยทําไว้ในอดีตเนี่ยมาให้ผลได้นั่นน่ะฐานะเขาเป็นประโยคนให้อกุศลอีกหลายอย่างให้ผลต่อไปนะตรงนี้ท่านเข้าใจไหมครับ คือพูดสนุกอะ่ะอย่างอย่างภาษาราบอเดอะติโจกอะไรอย่างเงี้ยมันสนุกอ่ะนะในวงเล่าในวงคุยกันเนี่ยนะก็ก็คุยสนุกอะ่ะเจตนาก็ไม่ได้ไปคิดว่าจะไปทำร้ายใครให้ใครเสียหายนะแต่เจตนาจริงให้เขาเฮฮาด้วยซ้ําไปนะแต่ทําไมมีโทษเมื่อกี้ท่านบอกว่ามันเป็นให้คนอื่นเขาได้เกิดประโยชน์ข้มันเป็นประโยชน์ข้ให้คนอื่นเขาเนี่ยนะ มันเกิดอากุศลจิตหรือว่าอาจจะทําอะไรต่อไปก็ได้เช่นสมมุติว่าเดิมเนี่ยไอในในเรื่องของอากุศลเขายังไม่ฟุ้งอ่ะเราเขาไปพูดสนุกสนุกเนี่ยหมาเขาเลยเติโตขึ้นมา<ป>เลยเลยเต<ธ><ธ>ิบไปหมายควาอย่างนั้นใช่ไหมเฉยพอและส่วนหนึ่งของเราเองนั้นก็ทําบาปในส่วนที่ว่าเราเองก็ปล่อยจิตให้เป็นบาปอากุศลมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นทําให้ตัวเองนี่วิบัติด้วยนั่นแหละทีนี้จริงอยู่ในขณะนั้นไอตัวคําพูดนั้น อาจจะไม่ให้ผลนำเกิดเลยแต่ถามว่าเรานี่ททำบุญมาเยอะหรือว่าทำบาปมาเยอะแล้วบาป ท, ที่ล่วงกรรมาบทในอดีตเรามีไหมพอมันมีเข้าไอ้ตัวจิตเศร้าหมองตัวนี้เนี่ยมันไปดึงไอ้ที่ผ่านๆมาเนี่ยมาหมดเลยสแสดงว่าแสดงว่าขณะที่เราพูดสัมผัสปราปวาจานี่นะครับนั่นหมายก็ว่าในชวนาจิตเจ็ดดวงของเรานั้นเนี่ยนะมันมันเป็นอกุศล แล้วก็ในชวนาจิตเจ็ดวงเนี่ยมันเป็นประโยค่าอย่างหนึ่งเพื่อเปิดโอกาสให้เราได้รับผลและผลของกรรมได้เจ น, ท, นที่เราทําไว้ในอนดีตจนผ่านทําทให้เราแม้แต่เราเองนะฮะจนผ่านกลายเป็นว่ายั่วยุวยวให้เราอาจจะเกิดจริงๆอย่างนั้นก็ได้คือยุให้เราเองเนี่ยเพื่อที่จะได้รับอกุศลต่อไปและอย่างหนึ่งถ้าสะสมมากๆขึ้นมันก็มีโทษมากเรื่อยๆๆๆก็สิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลน่ะมันก็เหมือนกับเชื้อโรคชนิดหนึ่งนั่นแหละ ถ้าพอกพูนมากๆขึ้นนะวันนี้มันกล้าพูดเล่นขนาดนี้วันต่อต่อไปมันพูดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนานๆนนเข้าพูดถึงบางคนพูดไปพูดมาด่าส่งเลยนั่นแหละมันจะเลยไปหาอาคุศนส่ว น, วนอื่นๆอีกมากมายแต่ทาคตในโลกนี้ย่อมทรงทราบว่าข้อที่กายสุจริต จ, จะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจนั้นไม่ใช่เหตุไม่ใช่ปัจจัยไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ ย่อมทรงทราบว่าข้อที่กายะสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตนั้นพึงเกิดผลที่น่าปราถนาน่าใคร่น่าพอใจนั้นแลเป็นฐานะที่มีได้เป็นฐานะที่หาได้สถาคตในโลกนี้ย่อมทรงทราบว่าข้อที่บุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกายทุจริตพรั่งพร้อมด้วยวจีทุจริต พร้างพร้อมด้วยมโนทุจริตเบื้องหน้าแต่แ ต, แ, ตแต่ความตายเพราะกายแตกจะพึงเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะกายะทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั้นมิใช่เหตุไม่ใช่ปัจจัยไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ใช่ไหมผลของชั่วทางกายทางวาจาให้ไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดาเนี่ยไม่ใช่เหตุไม่ใช่ปัจจัย ให้เห็นอย่างหนึ่งนะว่าพวกเรามาด้วยผลของบุญเป็นผลของสุจริตกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจากทางกายทางวาจาหรือทางใจย่อมทรงทราบว่าข้อที่บุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเบื้องหน้าแต่ความตายเพราะกายแตกพึงเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะกายทุจริตเป็นเหตุวจีทุจริตเป็น เหตุมโนทุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั้นแลเป็นฐานะที่หาได้เป็นฐานะที่มีได้นะหมถ้าไม่ทำชั่วไม่ไปอบายทุกติวินิบาตนะโกรลกนะตถาคตในโลกนี้ย่อมทรงทราบ ว, ว่าข้อที่บุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริต เบื้องหน้าแต่ความตายเพราะกายแตกจะพึงเข้าถึงอบายทุขติวินิบาตนรกเพราะกายะสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั้นน่ะไม่ใช่เหตุไม่ใช่ปัจจัยไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้นั่นแหละย่อมทรงทราบว่าข้อที่บุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกายะสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริต เบื้องหน้าแต่ความตายเพราะกายแตกพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกายสุจริตเป็นเหตุวจีสุจริตเป็นเหตุมโนโสุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั้นแหลเป็นฐานะที่หาได้เป็นฐานะที่มีได้พยานข้อที่หนึ่งะก็คือพระ อ, องค์นี่รู้อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรมาจากเหตุใดๆเนี่ยพระ อ, องค์ย่อมทรงทราบชัด อย่างนี้เป็นกําลังข้อที่หนึ่งของพระพุทธเจ้าทีนี้กําลังข้อที่สองว่าดูก่อนสารีบุตรอีกประการหนึ่งตถาคตย่อมรู้วิบากของกรร ม, มสมาทานที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยฐานะโดยเหตุตามความเป็นจริงดูกด่อนสารีบุตรข้อที่ตถาคตรู้วิบากของกรร ม, มสมาทานที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันโดยฐานะโดยเหตุ ตามความเป็นจริงนี้เป็นกําลังของตถาคตประการหนึ่งซึ่งตถาคตอาศัยแล้วปฏิญาณฐานะแห่งผู้เป็นโจรบัลลือสีหานาทในบริษัทยังพรหมจักให้เป็นไปเขาเรียกว่ากรรมวิปากยานยานที่รู้กรรมและผลของกรรมในกรรมและผลของกรรมนี่แหละที่กล่าวถึงเรื่องของสมบัติกับวิบัติอย่างเช่น ข้อความในฐานะฐานาะฐานายานที่กล่าวว่ายานที่รู้วิบากของกรรมสมาทานที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันตามความเป็นจริงโดยฐานะโดยเหตุของพระตถาคตเป็นไนะพระตถาคตในโลกนี้ย่อมทรงทราบว่ากรรมสมาทานอันเป็นบาปบางอย่างอันคตสิสมบัติห้ามไว้จึงไม่ให้ผลนะอกุศลบางอย่างเนี่ยพอมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดาอย่างใดอย่างหนึ่งนะ อกุศลพวกนั้นคติสมบัติถ้ามไว้เลยไม่ยังไม่มีโอกาสให้ผลแต่บาปที่ทําเอาไว้นะในคำภีร์ท่านกล่าวว่าเหมือนกับฐานเพลิงฐานไฟที่มันลุกแดงพลงเนี่ยอันขี้เท่ากลบเอาไว้ฉะนั้นอย่าคิดนะว่ามันจะไม่ให้ผลนะเป็นกรารมที่ทําไว้เหล่านั้นที่ยังไม่ให้ผลเรียกว่าอปา ร, ราประยะาิยะเวทนิยกรรมหรือกระตะัตกรรมนั่นแหละ พวกนี้แหละซึ่งถ้ามีโอกาสมันเล่นงานแน่นนะซึ่งเรื่องของกรรมและผลของกรรมอันนี้ถ้ามีโอกาสเราจะได้ศึกษากันต่อไปซึ่งเรื่องราวใหญ่โตเลยนะไอ้ข้อกรรมและวิบากของกรรมเนี่ยซึ่งเราจะศึกษากันต่อไปดูก่อนสารีบุตรอีกประการหนึ่งตถาคตย่อมรู้ชัดซึ่งปฏิปทาอันยังสัตให้ไปสู่ภูมิทั้งปวงตามความเป็นจริง ดูก่อนสารีบุตรข้อที่ตถาคตรู้ชัดซึ่งปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ไปสู่ภูมิทั้งปวงตามความเป็นจริงนี้เป็นกำลังของตถาคตประการหนึ่งซึ่งตถาคตอาศัยแล้วจึงปฏิญาณฐานะแห่งผู้เป็นโจกบรลลือสรีหานาถในบริษัทยังพรหมจักให้เป็นไปข้อนี้เรียกว่าสัพพัถคามินีปฏิปทายาน สัพพะตะแปลว่าทั้งปวงคามินีก็คือคามินีปฏิปทาก็คือข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงพบทั้งปวงหรือถึงที่ทั้งปวงเนีย่ยานอันนี้พระองค์ทรงรู้อย่างดีอย่างเช่นยานรู้ทางไปสู่ภูมิทั้งปวงตามความเป็นจริงของพระตถาคตเป็นไนพระตถาคตในโลกนี้ย่อมทรงทราบว่าทางนี้ปฏิปทานี้ให้ไปสู่นรก นะคติอ่ะคติก็คือคติห้าใช่ไหมย่อมทรงทราบว่าทางนี้ปฏิปทานนี้ให้ไปสู่กำเนิดสัตว์เดรัจฉานย่อมทรงทราบว่าทางนี้ปฏิปทานนี้ให้ไปสู่ปิติวิสัยเปรตย่อมทรงทราบว่าทางนี้ปฏิปทานนี้ให้ไปสู่มนุษยโลกย่อมทรงทราบว่าทางนี้ปฏิปทานนี้ให้ไปสู่เทวโลกรวมถึงพรหมด้วย ย่อมทรงทราบว่าทางนี้ปฏิปธานนี้ให้ถึงนิพพานเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ปดเนกันนะ่ะปัญญากิริยาที่รู้ชัดปัญญาตัวนี้แหละรู้เป็นญาณที่รู้ทางไปสู่ภูมิทั้งปวงตามความเป็นจริงของพระตถาคตนะคือว่าเป็นญาณที่ทาให้รู้ถึงว่าจะไปในที่ไหนข้อสี่นะ ดูก่อนสารีบุตรเอกประการหนึ่งตถาคตย่อมรู้ชัดซึ่งโลกมีธาตุมิใช่อย่างเดียวและมีธาตุต่างๆตามความเป็นจริงอันนี้เขาเรียกว่าอาเนกธาตุนานาธาตุยาณชื่อเป็นภาษาบาลีเขาอย่างนั้นอ น, นะอเนกธาตุนานาธาตุอะเนกธาตุนานาธาตุยาน ดูกรสารีบุทข้อที่ตถาคตรู้ชัดซึ่งโลกมีธาตุมิใช่อย่างเดียวและมีธาต่างๆตามความเป็นจริงนี้เป็นกำลังของตถาคตประการหนึ่งซึ่งตถาคตอาศัยแล้วปฏิญาณฐานะแห่งผู้เป็นโจกบลือสีหนาถในบริษัทยังพรหมจักให้เป็นไปคำว่าธาตเป็นอเนกหรือว่าธาตเป็นอันมากนั้นะน่ะหมายถึง ความเป็นต่างๆของขันนะความเป็นต่างๆของรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันหรือว่ารูปความเป็นต่างๆของอายตนะรูปายตนะเอ่อจักขายตนะก่อนนะจักขายตนะรูปายตนะโสตายตนะแล้วก็สัทธายตนะคานายตนะขันทายตนะเชิวหายตนะรัศายตนะ กายายตนะโพธภายตนะมานายตนะและธรรมายตนะโอ้ฟังเชื่ อ, อยากจังก็ตาหูจหมูกลิ้นกายใจนั่นแหละนะตาเรียกว่าจักขายตนะจักขบวกอิยตนะเลยเป็นจักขายตนะเลยฟังพูดให้มันครั้งๆเลยต่อไปนะย่อมทรงทราบความเป็นต่างๆแห่งธาตุธาตุธาสามก็มีนะ การมาท่รูปะท่ารูปะท่านนั่นแหละหรือธาตุอีกในหนึ่งธาตุหก็มีธาตุหเช่นปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอากาศธาตุและวิญญาณธาตุเอาเยอะกันทั่นี้งก็ธาตุสิไงธาตุทางตาสามธาตุทางหูสามทางจมูก3ทางลิ้นสามทางกายสมและทางใจสเช่นกายโพธภะเกิด กายวิญนะญา well. ณธาตุนะกายธาตุโพธาตุกายวิญญาณธาตุก็คิดดูนะกายอย่างหนึ่งโพธพภะอย่างหนึ่งคนละอย่างเลยกายวิญญาณธาตุก็อย่างหนึ่งเป็นธาตุว่างจากคู่ไม่ใช่กายก็ว่างจากโพธพะโพธพะก็ว่างจากวิญญาณวิญญาณก็ว่างจากกายต่างคนต่างว่างซึ่งกันกันแล้วไม่มีสัตว์อยู่ในนั้นด้วยแต่มีจริงธาตุอันนี้มีจริง นั่นแหละอตรงนี้น่าสนใจนีนครับผวามจริงก็รู้อยู่นะแต่ว่าพอมันเน้นๆอนรู้สึกเออก็จริงนะนะเช่นกายก็ไม่มีกายก็ไม่มีมมภภผลพภะเจตนพรผลตะก็ไม่มีกายอ่ะือจริงนะหรือว่ากายยะวิ ญ, ญญาณไม่มีผลตภะใช่ไหมผลตภะไม่มีกายยะวิญญาณ่ะผลพภะไม่มีกายยะวิญญาณเนี่ยลองลองนึกดูดีครับคนละอย่างเลยออื เย็นร้อนอ่อนแข็งนั่นไม่มีกายะวิญญาณอยู่ยนั้นเลยอ่ะแต่กายโพธะเป็นอารามณปัจจัยของกายะวิญญาณคือคือไม่ไม่กล่าวโดยปัจจัยแต่กล่าวในลักษณะว่าต่างคนมันว่างจากกันเน่ยใช่ไหมในธาตุสิบแปดเนี่ยนะไม่มีเหมือนกันสักอันเลยคนลธาตุคนลธาตุคนลธาตุพระองค์ได้รู้ความแตกต่างกันของธาตุเหล่านี้เพราะกายธาตุต่างโพธะธาตุต่าง กายวิญญาณธาตุเลยต่างพอธาตุสามตัวต่างภาษาต่างพอภาษาต่างเวทนาต่างอีกนะเวทนาต่างเพราะภาษาต่างภาษาต่างเพราะธาตุต่างนะเคยคิดไหนะครับมันเป็นคนละธรรมชาติจริงๆเอ า, อางี้ดีกว่า<ช>น ะ, ะหมายความว่ามันเป็นมันลักษณะมันสภาวะธรรมของมันนั้นจริงๆเลยอะ่ะมันคนละอยา่ยางจริงๆเลยเนาะ ถ้าเรียนอนพิธาม<น>บอกคนละองค์ทำเลยมันคนละอย่างจริง ๆ, <c oughs> งๆเลยอ่ะอยังต้องถามอาจารย์ทิศไหมมันคนละอย่างจริงไม่จิงคิดมันจริงเห็นนะเจนานต้องแสดงว่าคิดมากๆเดี๋ยวเห็นเยอะๆข้อปฏิบัติในผู้าศาสนาคือความเห็นความเห็นแปลเป็นบาลีว่าทิฏฐิแต่ทิฏฐิอันนี้เป็นทิฏฐิที่ชอบเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิควรเจริญนั่นแหละอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้ความแตกต่างกันของาธาตุนะเป็นอนเนก แสดงว่าพระองค์ทรงตัดถึงหมายว่าพระองค์รู้ขันทโรคอายตนะโลกขันทรโรคโลกทั้งหมดเลยใช่ไหะอันนี้เรียกว่าความแตกต่างแห่งธาตุในโลกอนะคือไอคาว่าโลกเนี่ยมันสามารถแบ่งเป็นโลกหนึ่งโลกสองโลกสามโลกสี่โลกห้าโลกหกโลกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบแปดย่างเงี้ยสามารถแบ่งได้หลายนายทีนี้พระองค์เนี่ยสามรู้จริงในสิ่งเหล่านี้อย่างแทงตลอดหมดแบ่งเป็นยังไงก็ได้เขาจึงเรียกว่าธรรมราชา พระพุทธเจ้าอีกเชื่อหนึ่งก็คือธรรมราชาแปลว่าผู้ที่เป็นใหญ่ในธรรมเป็นใหญ่โดยธรรมเพราะนั้นพระองค์ยักย้ายพระธรรมยังไงก็ได้เพราะพระองค์เนี่ยแทงตลอดหมดเลยล ว, วัตถุดิบอยู่กับพระองค์เนี่ยพระองค์จะปรุงให้เป็นลักษณะไหนก็ได้แต่อย่าลืมว่าพระองค์ปรุงถามว่าหมอเนี่ยปรุงทุกทุกอย่างนี่เป็นโอโซสารหมดนแต่ถ้าจะปรุงให้มันเป็นอะไรก็บอกว่าปรุงให้มันเป็นยาถามว่าทําให้ยาเป็นอะไรถ้ามหมอจริงๆก็เพื่อที่จะหายโรคพระธรรมทั้งหมดของพระผู้มีพระภาคก็เพื่อ ดับกิเลสเพื่อที่จะเข้าถึงความสุขจริงๆนั่นแหละพระสูตรนิติคณิกายสามสิสี่สูตรมัชชิมนิกายร้อยห้าสิบสองสูต ร, ส, ตรสังยุตตนิกายเจ็ดพันกระสูตรอังคุตนิกายเก้าพันกระสูตรนะคุถการนิกายสิบห้าคำพีอย่างเงี้ยเราเลยไม่ตอบไม่ได้มาณสองหมืนกว่าสูตรใช่ไหมครับจนตอนเป็นหมื่นสูตรอ่ะเป็นหมื่นสูตรเลยนะแต่อาจถ้าหากว่าเราไปพลิกดูนะพระไตรปิฎกฉบับประชาชนที่เขียนไว้นะ จะเป็นจะเป็นดัชนีอย่างหนึ่งนะถึงแม้ว่าย่อๆไว้นะฮะเป็นลักษณะนั้ น, นะฮะคือเราพลิกๆดูนะแล้วเรา<ช>เราจะรู้ว่าเขาย่อไว้หมดนะครับในนั้นนะ น, น ะ, ะใช่ทีนี้ส่วนอนึางนะถ้าเราต้องการอยากเช่นอยากรู้เรื่องวิปัสสนาอย่างเงี้ยแม้แต่วิปัสสนาก็มีหลายในวิปัสสนาที่เป็นไปกับขันเป็นไปกับธาตุเป็นไปกับอายตนะนั่นแหละเป็นไปกับ โคชงหรือเป็นไปกับพวกอินรีพวกสติปทานอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมีหลายแห่งด้วยกันซึ่งถ้าหากว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าเราครว่าเข้าไปในร้านอาหารใหญ่เลยไม่รู้จะสั่งอะไรนี่นก็บอกไม่ถูกกันนะผมผม <c oughs> ผมแนะนำนะสำหรับผมแนะนำให้อ่านลองดูนะคือในเรื่องนิเทศทั้งหลายนะ <c oughs> เพราะว่าเป็นคาอธิบายขยายกว้างทาให้เราเข้าใจขึ้นใช่ ในมหานิเทศในจุลานิเทศนะซึ่งเป็นคำอธิบายของภาษารีบุตรนะอันนี้น่าอ่านเลามาเราอ่านดูนะเช่นกามาณิเทศเนี่ยนะฮะโอ้โหอธิบายพอเข้าใจนะแล้วก็อ่านอัตถกาถาตามนะในบรรดานิเทศทั้งหลายก็เล่มเริ่มแล้วครับเออนี่เล่มขนาดนนะเนี้ยนะเนี่ยมีลองดูมาสักเล่มก่อนเถอะยังไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นนะ ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ของธรรมาจะแนะนําให้ไปอ่านธรรมบทมธ ร, รมบทเพราะว่าในธรรมบทนี้จะมีตัวละครค่อน ข, ข้างเยอะอืมีประวัติแทรกเข้าไปด้วยมีเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆแทรกไปด้วยถ้าอ่านธรรมบทมากๆแล้วจะได้คุ้นกับบุคคลในสมัยนั้นเแปลว่าคุ้นกับตัวละครคช่ไหมอย่างนี้นะจะคุ้นเช่นคุ้นกับคาว่านาถาบินติกะนางวิสาขาพระสารีบุตรพระโมคัลานะพระมหากระสบัดเนี่ยชื่อเหล่านี้เราจะได้ชื่อกว่า เสร็จแล้ววันหลังพอเราไปอ่านเรื่องลึกซึ้งว่าสูตรนี้พระองค์กล่าวกับใครเราจะเชื่อมที่เป็นเนื้อหาได้อย่างนี้ก็ได้้ทเป็นไม่หญิงก็อ่านเทรีคาถาสิครับปรวัตของพระผู้หญิงทั้งหลายเราไปอ่านหนูนะเทรีคาถาครับนายยืมไปอ่านักเกนมนะยนะก็เป็นเรื่องที่ไม่ยาวและเบาๆนะนะว่าประวัติของพระเทรีเนี่ยนะคร มีประวัติมาอย่างไรบ้างยาวนานถ้ า, <น>าเป็นประวัติส่วนหนึ่งจริ ง, รงๆก็ต้องอ่านอ่าเรียกว่าอัตกถ า, าอังคุตรนิการเอกานิบาตตรงนั้นเนี่ยจะกล่าวถึงประวัติของบุคคลต่างๆที่เป็นเอตทัคขะส่วนในเทรีคถ า, านนะั้นจะกล่าวประวัตินิดหน่อยอ น, นะเล่าท้าวความให้ฟังนิดหน่อยว่าเออคนนี้มีบุญนะ ทำบุญไว้เมื่อก้าวสิบสองกัปที่แล้วเสร็จแล้วอุปนิสัยอันนั้นเนี่ยทําให้เขาได้ฟังธรรมแล้วเข้าบรรลุเป็นพระอารหันต์พอเป็นพระอารหันต์ก็กล่าวคาถานี้ออกมาสามบรรทัดว่าเสร็จแล้วก็ขยายคาถานั้นลักษณะนี้เป็นเทริคาถาหรือเทระคาถาประวัติจะไม่มากนะักนั่นแหละประวัติจริงๆแล้วประวัติจะน้อยมาก <c oughs> โพระชงก็ยังอยู่พระชงบางอย่างเป็นสมาธิ โพชฌงบางอย่างเป็นศีลโพชฌงบางอย่างก็เป็นปัญญานะะนั่นแหะเช่นปีติสัมโพชฌงนั้นอ่ะมาจากศีลานุสติอย่างเ <enga> งีพราั้นคนที่จะเจริญปีติสัมโพชฌงได้คนนั้นจะต้องมีศีลดีนะะั่นแหละเพราะปีตินี้มีอะไรเป็นเหตุใกล้มีปราโมทเป็นเหตุใกล้ปราโมทมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีความไม่เดือดร้อนใจเป็นเหตุใกล้ความไม่ร้อนใจก็มาจากศีลเป็นเหตุใกล้ เพราะฉะนั้นในโพชฌงค์ทั้งหมดนั้นก็เป็นทั้งศีลสมาธิและปัญญาแล้วก็ในโพชฌงค์ทั้งหมดก็เป็นองคุณหรือองคธรรมเพื่อโพธิโพนิในที่นี้ก็คือปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้องคธรรมที่ทำให้ตรัสรู้อริยสัจ ส, สี่มีอยู่เจ็ดอย่างด้วยกันเรียกว่าโพชฌงค์เจ็ดอย่างที่หนึ่งนะสติสัมโพชฌงค์สองธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สาม อะไรนะวิริยะสามโพชฌงศ์สปีติสามโพชฌงศ์หปัสสติสามโพชฌงศ์หสมาธิสามโพชฌงศ์สุดท้ายอุเบกขาสามโพชฌงศ์สติสามโพชฌงศ์นั้นก็คือสติที่เป็นไปกับสติประฐานสีนั่นแหละธรรมวิจัยสามโพชฌงศ์ก็คือวิจัยเรื่องอริยสัจนั่นแหละนั่นแหละปีติก็คือเมื่อมีสติกับธรรมวิจัยสองตัวนี่นะ ผู้ที่วิจัยมากๆก็จะได้รับปีติและปราโมทนะปีติก็เป็นปีติสัมโพชฌงที่อาศัยตั้งแต่การเจริญสติและก็มีธรรมวิจัยนั่นเองแล้วก็เมื่อบุคคลผู้มีปีติก็จะทำให้มีเรียกว่าปัตสัตทิสัมโพชฌงปีติมากๆมีกำลังแล้วก็ทำให้เกิดปัตสัททิผู้ที่มีปัตสัตทิสัมโพชฌงจะทาให้เกิด สมาธิสามโพชฌงค์ผู้ที่มีสมาธิสามโพชฌงบริบูรณ์จะทําให้เกิดอนะอุเบกขาสามโพชฌงั น, น, นที่จริงโพชฌงเหล่านี้จะเกื้อกูลกันถ้าหากว่าผู้ที่ศึกษาสภาพจิตบ่อยๆถ้าจิตมันแห้งแล้งมากถ้าถ้าต้นไม้มันเหี่ยวเฉานี่ทํายังไงรดน้ําใช่ไหมฉัน้นใดก็ดีถ้าจิตของเราเหี่ยวเฉาก็แสดงว่าเราขาดปีติสามโพชฌงถ้าขาดปีติสามโพชฌงค์ยังไง ถ้าเราอ่านหนังสือธรรมะเรารู้ว่าควรศึกษาพุทธคุณเยอะๆศึกษาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณศีลคุณต่าง ๆ, ๆเหล่านี้เพื่อให้เกิดปีติปราโมทย์ศึกษาเรื่องผลของบุญเป็นต้นเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงให้เรามีศรัทธาต่อไปทั้นในสภาพของจิตนี้ถ้าจิตห่อเหี่ยวหรือท้อแท้ท้อถอยท่านให้เจริญวิริยะสามโพชงเป็นต้นมันชักไม่ไว้แล้วนะมันชักขี้เกียจชักไม่ค่อยสนใจแล้วก็คิดถึงนรกเยอะๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ขยันเองไง